ขอความสุขความเจริญจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายการบรรยายพระสูตรในวันนี้จะพูดถึงพุทธเจยมงคลคาถาข้อที่สี่ซึ่งพระโบราณอาจารย์ได้นำข้อความในอังคุลิมาแลสุตรมาประพันธ์ไว้เป็นคาถาสามบรรทัดป่า พระจอมุนีทรงชัยชนะต่อโจรองคุลิมานซึ่งมีมือโชคด้วยเลือดไล่ค่าพระองค์ไปด้วยอิทธาภิสังขารขอาำนาจพุทธชัยมงคลขาถานี้ขอสิ่งที่เป็นมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่าน ข้อความในอังคุลิมาแลสูตรนั้นเป็นการเล่าประวัติโดยพิสดารของพุทธชัยมงคลระถาข้อนี้มีข้อความมันเป็นเบื้องต้นว่าในคราวหนึ่ง ข, ะขะัคคบุโรหิตกับนางมันตานีพรามณีซึ่ง เป็นปุโรหิตของพระเจ้ามหาโกศลพ่อของพระเจ้าปเสนทิโกศลแล้วก็อยู่ต่อมาจนถึงสมัยของพระเจ้าปเสฐทิโกศลในคราวหนึ่งได้มีอาวุธในกรุงสาบถีลุกโผร่ขึ้นคือเปล่งประกายเป็นแสงก็ทําให้ตื่นตกใจกันหมดเพราะแม้อาวุธในหวัง ก็ลุกเป็นเปลวเหมือนกันแต่ไม่มีอันตรายแก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งรุ่งเงยเช้าครับปุโรหิตได้เข้าเฝ้าพระเจ้าปรสันทิโกศลกราบทูลถามถึงการบรรทมในราตรีพระเจ้าปรสันทิโกศลก็รับสั่งว่าพระองคนอนบรรทมไม่หลับ พระวิตกังวลเนื่องจากอาวุธเปร่งประกายออกมาข้าบุทธิิตก็กราบทูลว่าการที่อาวุธเปล่งประกายออกมานั้นเกิดด้วยอำนาจบุตรของท่านคือบุตรของท่านได้เกิดมาในเลิกของดาวโจรให้เด็กนี้จะเป็นโจรสร้างความเดือดร้อนให้แก่บ้านเมืองต่อไป ถตาว่าพระองค์มีพระประสงค์จะตัดไฟแต่ต้นลมจะฆ่าเด็กคนนี้จะก็ได้พระเจ้าประเสริฐทีกศลรับสั่งถามว่าเป็นโจรราชสมบัติหรือโจรทั่วไปข้าพุทธิบุริษก็กราบทูลว่าเป็นโจรทั่วไปพระเจ้าประเสริฐทีกศลก็รับสั่งให้เลี้ยงไว้หรือไม่ควรจะไปฆ่าเด็ก โดยเหตุเพียงเชื่อตามตำนาว่าเกิดมาในเรือกดาวโจนเท่านั้นท่านข้าคราบกรุรหิตต้องการที่จะให้เกิดเป็นสิริมงคลก็ตั้งชื่อลูกชายว่าอาหิงสกะต่อมาก็ได้ส่งลูกชายไปศึกษาในสำนักของอาจารย์ทิสาปา ม, มกในเมืองตักศิลา การศึกษาสมัยนั้นก็มีอยู่สองแนวอย่างที่เคยเล่าฟังคือมันก็เหมือนกันทุกแห่งคือศึกษาเรื่องที่ต้องจ่ายค่าเล่าเรียนกับศึกษาโดยการปฏิบัติอุปถาทักษ์บำรุงอาจารย์ไม่ต้องจ่ายค่าเล่าเรียนส่วนมากพวกกษัตริย์พวกเศรษฐีจะศึกษาในแนวที่จ่ายค่าล่าเรียน แต่ว่าคนบางพวกแม้ฐานะจะร่ำรวยก็สมัครใจจะศึกษาในในแนวข้องการครับชายอาจารย์อยู่ใกล้ชิดอาจารย์ได้พบได้เห็นได้เรียนรู้ได้สอบถามเป็นต้ น, นก็ไปเป็นเป็นกำไรอย่างหนึ่งในการศึกษาอิงสะกะมานพได้ศึกษาในสํานักของอาจารย์ที่สา ป, ปามโมกตามธรรมเนียมของสกุลพราหมณ์ก็ศึกษาใจเพศและเวไทยศ า, าัตร์ แต่เพราะได้ศึกษาในแนวที่อยู่รับใช้อุปถัมภ์อาจารย์ทําให้ใกล้ชิดอาจารย์ประกอบกับเป็นเด็กที่เฉลียวฉลาดไม่มีแววของความโหดร้ายรุนแรงอะไรอยู่เลยก็ทําให้เป็นที่รักที่โปรดปรานของอาจารย์มากเพื่อนฝูงเรลาอื่นก็รู้สึกริษยาจนช่วยการสร้างเรื่องขึ้น หลอกลวงท่านอาจารย์ธิสาปาโมกให้เชื่อว่าอาิงส ก, กะเป็นเด็กไม่ดีมีความอกตันยูคิดโคตรทรยศเป็นต้นในตอนใหม่ๆแร ก, แรกๆก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่ต่อมาจนถึงกระยุยงว่าอาิงส ก, กะชอบพอกับพันญาน้อยของท่านอาจารย์ธิสาปาโมก ทำให้อาจารย์ทิสาปาโมกคล้อยตามเห็นตามไปแต่ว่าคนชั้นอาจารย์จะไปฆ่าคนในมือตัวเองก็ไม่ได้ก็เลยเรียกกอ้หญิงส ก, กะมาแนะนําว่าวิชาความรู้ที่ไอ้หญิงส ก, กะศึกษาไปนั้นก็ถือได้จบสิน้นแต่ก็มีวิชาพิเศษอีกอย่างหนึ่งซึ่งจะทําให้ไอ้หญิงส ก, กะเป็นคนเหนือคนไปไหน แต่ต้องมีเครื่องประกอบมนุ์ึกยากต่อการปฏิบัติพูดยั่วยุให้เกิดความกระตือรือร้นอยู่ระยะหนึ่งแล้วท่านก็บอกว่ยจะต้องประกอบด้วยนิ้วของมนุษย์ถึงพันนิ้วด้วยกันอิงสะกะ บ, บอกว่าท่านเอกนั้นเกิดในสกุลพรามซึ่งไม่มีการฆ่าการเบ็ดเบียนสัตว์การไปศึกษาเวทมนต์ในด้านนี้ก็ไม่ตรงตามหลักของสกุลพราม ท่านก็ไม่สมัครใจแต่ท่านอาจารย์ทิสาปามกก็พยายามกระตุ้นเร่งร้าให้เกิดความอยากได้ใครดีขึ้นภายในใจของอิงสกะในที่สุดท่านก็ยอมแล้วก็ลาอาจารย์ไปเพื่อแสวงหานิวมนุษย์โดยการประพฤติตนเป็นโจร เดี๋ยวข้าคนไปในสถานที่ต่างๆตามปกติก็จะดักฆ่าในทางป่าคือทางเข้าป่าจะ เ, เป็นพวกคนกลุ่มคนที่เดินกันไม่มากนะักเพราะท่านได้ศึกษาจบในสำนัก อ, อาจารย์ที่สาป่าโมกมาสามันชนทั่วไปก็ไปสู้อะไรกับท่านไม่ได้เพรามีความชำนิชำนาญไปหมดในด้านการใช้อาวุธใช้ดาบใช้ธนูเป็นต้น แต่การฆ่าในคราวแรกเป็นการฆ่าและทิ้งคือนับไปนับไปฆ่าคนมากเข้าสติสำไปชัญญับไปชักจะเลอะเลือนฟันเฟือนในสุดก็ตัดนิ้วไปกองกองไว้มันก็หายต่อมาภายหลังก็เมื่อฆ่าได้ก็ตัดนิ้วร้อยเป็นโพรงมาไหลจนได้ชื่อว่าองคุลิมานแปลว่าโจรที่มีนิ้วมือเป็น มีองคุลีของคนเป็นพวงมาลายัยเป็นโจรที่สร้างความหวาดหวั่นให้เกิดขึ้นแก่คนเป็นมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือในลักษณะของข่าวลือเมื่อลืมก็กระจายออกไปเรื่องไม่ค่อยใหญ่โตเท่าไหร่ก็ใหญ่โตออไปจนประชาชนหวาดกลัวไม่กล้าเดินทางออกสั่งขวัญหนีกันทีเดียว ในสุดก็มีการรวมตัวกันมากราบคุลพระเจ้าประเส้นที่โกศลให้จัดการปราบโจรคนนี้ขวานข้าข้าปุโรหิตและนางปุณะปุณปุณตานีพราหมณีก็ได้ทราบเรื่องนี้เหมือนกันก็คิดว่าโจรคนนี้คงคงเป็นลูกชายแน่เพราะไม่ได้ส่งขามานั้น นางพรามณีก็บอกท่านปุโรหิตให้ตามไปสกัดลูกชายซะก่อนเพื่อไม่ให้ถูกฆ่าแต่ท่านปุโรหิตท่านไม่ยอมไปคือถือว่าก็เป็นไปตามเรืองที่ได้บอกไปนั่ น, อ ย, นอย่างหนึ่งถืออย่างหนึ่งทัานก็คงจะรู้ว่าไม่อยู่ในวิสัยที่จะทําอะไรได้เพราะเลือดเข้าตาไปแล้วแต่นางพรามณีนั้นทนไม่ได้ที่ลูกของตนจะถูกฆ่า ก็เลยออกจากกรุงสาวัตถีเพื่อไปสกัดลูกชายไว้โดยเข้าใจเอาเองพระองคุลิมา น, นั้นเป็นลูกชายทั้งทางที่ท่านก็ไม่รู้ในคืนนั้นเองพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ส่วดดูสัตวโลกคือองคุลิมานละสุดเริ่มตรงนี้ก็สรวดดูสัตวโลกก็พบพ่ะองคุลิมานปรากฏในข่ายพยานของพระองค์ก็ทรงพิจารณาเห็นว่า ในวันนี้ถ้าหากว่าองค์ุลิมาณพบแม่ก่อนพบพระองคเอง์เนื่องจากสติสัพยัญญะเลอะเลือนควันเฟือนหมดแล้วก็จะจำแม่ไม่ได้และจะฆ่าแม่ตายซึ่งก็เป็นมาทุกคาดเป็นการปิดประตูสวรรค์เปิดประตูนรกกันทีเดียวแต่ถ้าหากว่าพระองค์จะเสด็จไปโปรด องคุลิมานก็จะบรรลุอรหัตเป็นพระหันแต่นั้นพระพุทธเจ้าจึงได้เสด็จตัดหน้านางพรามณีไปแต่เนื่องจากพระองค์ทรงจำนี้จำนาญในทางในหนนทางจึงก็ไปได้เร็วกว่าประชาชนที่พบเห็นพระพุทธเจ้าเสด็จไปโดยลําพังพระองค์เช่นนั้นแล้วก็บ่ายพระพักมุ่งสู่ดงที่โจนุกุลิมานซุ่มอยู่ ก็ร้องห้ามปรามกันทุกคนแนะนำาอย่าไปทางนั้นประเดี๋ยวจะถูกโจรพืะองค์ครีมานฆ่าเอาแต่พระพุทธเจ้าก็คงเสด็จพระพุทธเาดำเนินไปโดยปกติจนถึงที่อยู่ขององค์ครีมานองค์ครีมานก็แอบซุ่มอยู่เห็นพระพุทธเจ้าเดินมาลำพังพระองค์ก็เกิดชิงหหนสนเทใจ ระยะทางาทางสายนั้นแม้คนไปจํานวน10บสบก็ไม่กล้าเดินแต่พระพุทธเจ้ากล้ามาเดินเพียงลําพังองค์เดียวคือท่านบอกสั ม, มณะรูปนี้มาเดินเพียงคนเดียวในครั้งแรกท่านก็พึ่งท่านก็อัศจรรย์แต่พอตั้งคิดไปคิดมาท่านมองไปในรูปของการท้าทายท่านหือว่าพระพุทธเจ้านั้นอวดดีคนอื่นก็มาเป็น10บสบไม่กล้าเดินนี่มามาเดินคนเดียว พระพุทธเจ้าเดินเลยไปท่านก็ลุกขึ้นไล่ไล่ในสุดก็ไม่ทันเมื่อเกิดอัศจรรย์ว่าท่านเองนั้นเคยไลย่แม้แต่ม้าเองก็ยางท่านคือคนขี่มา้าท่านไล่ทันโดยอยู่การวิ่งแต่มาไล่พระพุทธเจ้าไม่ทันเกิดเกิดอัศจรรย์ขึ้นมาก็ตะโกนบอกให้หยุดพระเจ้ารักสั่งว่าองค์ุลิมานเราหยุดแล้ว แต่เธอนั้นยังไม่หยุดแต่ในขณะที่รับสั่งก็เดินไปเรื่อยๆ อ, องค์ลีบานก็เกิดสนเท่ขึ้นมาอีกก็กราบทูลถามว่าสมณะท่านกล่าวเราซึ่งหยุดว่าเป็นผู้ไม่หยุดแต่บอกตัวท่านเองซึ่งกำลังเดินว่าหยุดนั้นหมายความว่าอย่างไรพระเจ้ารับสั่งว่ารุกรอ ง, องค์ลีมานตาถาคตนั้นหยุด การเบียดเบียนการฆ่าการรัฐสลายสัตว์มีสัตวราวุ์วางแล้วมีเครื่องประหารวางแล้วสำ ร, ำรวมระวังแล้วในสตาตว์ทั้งหลายแต่เธอนั้นเป็นมือที่โชคด้วยเลือดถืออาวุธถือศาสตาที่เบียดเบียนที่ทำลายสัตว์อื่นเธอจึงได้ชื่อว่าเป็นผู้ไม่หยุดองค์กริบาลก็เป็นคนที่มีวาสนาบา ร, รมีมากพอสมควร พอได้ยินพระพุตธดำ ร, รัสตัดเช่นนั้นก็เกิดสํานึกว่าจริงตามที่ทรงแสดงดังนั้นสุก็ทิ้งดาบก็รู้ทันทีอ่ะเพราะว่าที่จริงท่านก็เป็นเด็กคือเกิดในเมืองสาวัตถีก็เกิดในยุคที่พระพุทธเจ้าอุปัตติขึ้นมาแล้วด้วยรู้ทันทีว่านี่ต้องเป็นพระพุทธเจ้าแน่ท่านก็เข้าไปหมอบลงแท้พระบาทกราบทูลว่าเป็นบุญวาสนาของท่านได้เกิด ดอกจากตำหนิพระพุทธเจ้าหนอนว่าพระองค์เสด็จมาช้าเกินไปและในายที่สุดพระเจ้าก็ให้สติตักเตือนคือไม่ได้เทศเป็นกิจลักษณะอะไรมากมายในตอนนั้นให้สติตักเตือนจนท่านเกิดความสำนึกเข้าใจเหตุผลดีแล้วท่านก็ขอบวชพระเจ้าตอนนั้นเป็นยุคต้นก็รับสั่งให้บวชเป็นเอหิปิกุ คือบวชโดยรับสั่งสั้นๆว่าเธอจงเป็นภิกษุมาเถิดทมามโรกล่าวดีแล้วจงรประพุทธพรมจารย์เพื่อทําที่สุดแห่งทุกโดยชอบเถิดก็เสร็จตอนนั้นเองก็นำพระองคุลิมาณมาที่ประเชตวนันกรายเป็เจ้าปเสนที่โกศล น, นั้นได้ตระเตรียมกองทัพเป็นการใหญ่เพื่อจะไปปราบโจนองคุลิมาลแต่ท่านเองก็ปลอดปอดเหมือนกัน จะไม่ไปหรือมันก็น่าเกลียดแต่พระราชายกกองทัพไปปราบโจรหรือก็น่าเกลียดเหมือนกันเราไม่รู้จะทำยังไงดีพอดีตอนนั้นเสนาบอดีผู้ใหญ่ที่เป็นพระชาหายแล้วก็มีกำลังมากนั้นก็คงจะยังไม่มาเพราะไม่ปรากฏชื่อคือท่านพันธุระในที่สุดก็เพื่อจะไม่ต้องเสด็จโดยวิธีที่คนอื่นเขายอมรับมันก็มีวิธีที่จะแก้ คือแทนที่จะนําทหารไปล่าองคุริบาลเลยก็นําทหารเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าแล้วจะกราบทูลเล่าคือโดยท่านจะจับเขาเรียกว่นแนวปริยายพวกประราชาหมหากริสัทั้งหลายเ น, น่ที่นับถือพระพุทธเจ้าถ้ามีปัญหาอะไรก็จะเข้าไปกราบทูลถามพระเจ้าก็จะทรงชี้แจงแนะนาให้สติตักเตือนแต่ถ้าเรื่องอะไรที่สุดวิสัยเนี่ย สุดวิสัยคือกรรมกองสัตว์มันมาบันดาลก็จริงๆไม่มีทางแก้ไขได้พระองค์ก็จะเฉยๆนิ่งๆพระเจ้าปเสนที่พวกประราชาชนเหล่านั้นก็จะรู้โดยในรู้โดยในยะนั้นแต่ถ้าเป็นเรื่องอยู่ในวิสัยจะห้ามปราบได้พระองค์ก็จะให้สติชี้แจงคือไม่ถึงก็ห้ามปรามแต่ให้สติตักเตือนชี้แจงคือไม่ไม่ถึงก็ไปก้าวไก่ของบ้านเมืองเขา พระเจ้าปรสเชนต์ในโกศลก็ไปกราบทูลตั้งแต่เช้ามืดในหาเช้ามืดเพระเจ้าก็ทรงรู้พระสงฆ์ทั้งหมดก็มาประชุมกันอยู่ที่วิหารในประเทศตะวันพระเจ้าก็ประทับตั้งอยู่ท่ากลางพระสงฆ์เจ้าประเชนต์ในโกศลก็เข้าไปคราบก็รับสั่งว่ามาบพิษมีใครทําให้พระองค์เดือดร้อนอีกเลยนึ่งยกกองทัพมาใหญ่โตอย่างนั้น ก็บอกว่าไม่มีใครทำเดี๋ยวตอนนั้นพระเจ้าประสิทธิ์ น, นโกศนก็รบกันอยู่กับพระเจ้าชาติรูบ่อยๆก็เลยบอกว่าไ ม, ไม่ได้มีพระราชาผู้ใดทำให้พระองค์เดือดร้อนแดีวก็มีโจรร้กาศคนหนึ่งชื่อว่าองคุลิมานสร้างความเดือดร้อนขึ้นในแวนแควนของพระองค์มากพระองค์จะต้องเสด็จไปปราบยกกองทัพไปปราบโจรคนนี้ ท่านก็บรรยายได้ตามรายงานอะ่ะแบบรายงานราชการรายงานที่โยดย้อยเลยก็โจรองค์กรลิมานก็กลายเป็นน่ากลัวมากในในความรู้สึกของท่านไปจากปากสู่ปากังเล่าขยายไปเรื่อยพระพุทธเจ้ารับสั่งว่ามหาบุพพิดถ้าหากว่าพระองค์ไปพบองกระลิมา น, นุ่งปรงผม โนหนวดนุ่งห่มผม้ากาศายะถือเพศเป็นนักบวชมาประพิจะตรทำยังไงพระเจ้าประเสนที่โกศลบอกว่าข้าพระองค์ก็จะกราบไหว้กระทำอัญชลีแก่ท่านได้จะรับานุบำรุงด้วยจจตุปัจจัยสี่แต่ก็คนใจถ้ามินินชาชาอย่างนี้เป็นไม่ได้หรอกบวชไม่ได้พระพุทธเจ้าก็รับสั่ง พร้อมกระชี้พระหัตถ์ปบอกว่าโจรองคุริมานนั่งอยู่นี้องคุริมานนั่งอยู่นี้ไม่เรียกโจรองคุริมานนั่งอยู่นี่ไอทหารนั้นคิดไปอีกอย่างหนึ่งคือเข้าใจว่าโจรองคกริมานแอบซุ่มอยู่ก็อรอฆ่าทหารก็เปิดนับหนีไปเลยคือขวัญก็เจงทีเดียวพระเจ้าประเสนที่โกศลเองก็ตกพระไทยเหมือนกันแต่ก็อยู่หน้าพระพักพระพุทธเจ้าพระก็ไม่กลัวคือกลัวก็คุมพระองค์ได้ พระเจ้ารับสั่งต่อไปเลยพระหมหาพรพิษพระองค์ไม่ต้องกลัวหรอกเยนี้องค์กิมานจะไม่เป็นอันตรายแก่ใครๆเมื่อพระองค์ตั้งพระทัยมั่นคงดีแล้วก็เข้าไปหาตอนนั้นองค์กิมานอายุราสักยี่สบห้าปีก็ยังหนุม่มข้าไปหาสอบถามทราบความถามว่ า, าลูกเต้าหลอกใครพูดไปพูดมาก็เป็นลูกปรหิตของตัวเอง ก็กราบทูลว่าแล้วก็เรียนแก่รรพระเถระว่าพระคุณเจ้าไม่ต้องเดือดร้อนโยมจะให้การอุปถากเองคคบุโรหิตก็ดีมันตานีพระมณีผู้เป็นมารดาของพระคุณเจ้าก็ดีไม่ต้องเดือดร้อนโย ม, มจะอุปถากเองบารุงเององคลิมาท่านก็ขวนขวา น, น้อยท่านบอกว่าท่านก็ไม่มีปัญหาอะไรคือเครื่องนุคม ในการครองเพศเป็นสัมมานาของท่านก็มีอยู่แล้วก็พูดคุยสนทนาการวรสมควรก็สเสด็จเสด็จกลับข้อความที่พระบูดาณาจารย์ตัดมานั้นตัดตอนนนตอนที่เล่ามาแล้วคือไม่ได้เอามาทั้งพระสูตรเอาเฉพาะประเด็นที่ตัดแต่เพื่อจะให้มองตลอดพระสูตรก็จะเล่าให้ตลอดพระสูตรไป แล้วต่อมาพระองคุริมานซึ่งบรรดาพระเถร่าทั้งหลายเนี่ยออกจะดังมากนะะแต่ก็รู้จักในานามโจนุกริมานจะมากกว่าพระอระหรันต์ก็ผลกรรมที่ท่านกระทาเอาไว้ก็มาทันพอสมควรและจากชื่อเสียงเรียงนามของท่านที่กลายเป็นบุคคลน่ากลัวในความรู้สึกของคนที่ไม่เคยพบเคยเห็นทำให้ท่านมีปัญหาคือหลังจากบวชมาแล้ว ปรากฏว่าไปบินทบาทไม่ได้ไอ้ข่าวที่พระเจ้าปเสนทูตโศลพบนั้นก็ไม่ได้มีข่าวคลาวหนังสือพิมพ์ออกมาลงอย่งในปัจจุบันคงจะเป็นข่าวลือแบบเดิมเป็นข่าวลือแบบเดิมว่าปลอมมาเป็นพระบ้างอะไรต่ออะไรบ้างก็แล้วใครแล้วแต่ใครจะปรุงเอาก็พวกเล่นข่าวเพราะงั้นคนที่เคยพบเห็นองค์ุลิมานพอเห็นข้าก็นึกว่าองค์กลิมานปลอมบวชก็วิ่ง วิ่งหนีเพราะงั้นก็ตักบาดก็ไม่ได้ตักกันท่านก็บินตบาดไม่ค่อยได้เพราวงันก็ไม่ได้แต่แสดงให้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงในด้านจิตใจของท่านก็คือข่าวหนึ่งท่านไปบินตบาตก็พบสตรีคนหนึ่งท้องแก่กออกมาตักบาดก็บางตักอยู่ทีเดียว เงยหน้าขึ้นดูพระคุณเจ้าจำได้ไประโจนองคกิมานทิ้งขันข้า ว, วิ่งเลยอารามที่ตกใจแทนที่จะวิ่งข้าทางประตูก็วิ่งลอดในรั้วเข้าไปปรากฏ ว, ว่าพอรอดไลยหัวก็โผล่เข้าไปได้แต่ติดที่ท้องก็ดินน่นองคิมานทั้งไม่จะทํำยังไงก็ยืนโปร่งสังเวชสลดจิตเด้กก็กราบไปกราบทูลพระพุทธเจ้าเพราะท่านรู้สึกสงสารผู้หญิงคนหนึ่งเือเกินที่กลัวท่านเอามาก เธอวิ่งหนีแล้วไปไปดิ้นอยู่ตรงนั้นพระเจ้าก็รับสั่งว่าให้เธอไปกล่าวกับผู้หญิงคนนั้นเป็นการประกาศสัจจะปฏิญาณของตนให้ผู้หญิงคนนั้นทราบเอ่ยคำกล่าวเหล่านี้เลยกลายเป็นปริตนะฮะที่จริงมันมีสองบรรทัดครึ่งนั่นเองคือถ้าหนังสือยาวๆก็จากสองบรรทัดเท่านั้นหนังสือแปดหน้ายกพิเศษสองบรรทัด ย, ยังไม่ค่อได้นะ เป็นคาถาสั้นๆแต่เป็นคาถาที่คลังมากก็กล่าวเพียงว่าดูก่อนน้องหญิงคราวแรกนะคราวแรกเทพเจ้าสอนว่าดูก่อนน้องหญิงตั้งแต่เราเกิดมานั้นไม่ได้มีเจตนาที่จะฆ่าสัตว์มีชีวิตให้ตายเลยเดิมนาศจักจวาลานี้ขอความสวัสดีจงมีแก่เธอและก็ขันของเธอองคุลิมานบอกมกล่าวอย่างนี้ไม่ได้ ก็อตอนนั้นตั้งใจจริงอ่ะไปฆ่าก็จริงด้วยพระยากบอกเปลี่ยนใหม่ดูก่อนน้องหญิงตั้งแต่เราเกิดโดยอาริยกะชาติคือบวชนะฮะเอาเฉพาะตอนบวชตั้งแต่บวชมาตอนนนท์ไม่นับตั้งแต่เราเกิดมาโดยอริยกะชาตินั้นไม่ได้มีเจตนาฆ่าสัตว์ที่มีชีวิตให้ตาย ต, ายตกล่วงไปเลยดริ่หน้าสศจวาจานี้ขอความสวัสดีจงมีแก่เธอและขันของเธอ พระเถระก็ไปกล่าวกับผู้หญิงคนนั้นปรากฏว่าเธอก็คลอดลูกที่พระโบราณอาจารย์บอกว่าเหมือนกับน้ำไหลออกจากกระออมคือคลอดง่ายมากต่อมาจากข่าวนี้แหละทาให้พระองคุลิมานก็กลายเป็นคนที่ออกจะรู้จักคุ้นเคยของคนอื่นแล้วก็มาในรูปของขลังๆพอสมควร ค, คือถ้าใครมีท้อง ม, มีไส่แม้พระเถระจะไม่กล่าววาจาให้ คือไม่ได้พบกับพระเถระรู้ว่าพระเถระไปนั่งตรงไหนเนี่ยก็เอาน้ํามาล้างอัสนะที่ท่านนั่งพื้นที่ท่านนั่งเนี่ยก็เอาไปทําเป็นน้ำมนต์เพระาะในเรื่องน้ำมนต์เนี่ยจะไปยุ่งหนามามันานนะมานานแล้วไม่คือไม่ต้องไปคัดค้านอะไรมามัตั้งแต่นน้นนแะเอาไปทําเป็นน้ำมนต์ก็ดึบแล้วก็ปรากฏว่าคลอดง่ายผิดปกติชื่อเสียงเกียรติคุณของท่านก็เป็นที่ยอมรับมากขึ้นบิณฑบาศก็พอได้ขึ้นนะครับ แต่ว่าไอบาปรกรรมที่ทํานั้นก็ต้องพยจนุนบางวันท่านก็ไปบินถบาทหัวร่างข้างแตกมาที่จริงก็ทําอย่างอื่นนะฮะก็ไม่ได้เจตนาทําท่านหรอบางทีก็คนไปคว้างสัตว์พวกกระรอกกระแตอะไรต่อไรเนี่ยแทนที่ไม้ไม่จะไปถูกกระรอกกระแตไปถูกกว่หัวท่านถูกบาด ท, ท่านจีวรขาดหัวแตกเลือดโชกมาเลยมาอย่างนี้บ่อยเหลือเกินครับพระเจ้ากระรับสงังตอนนั้นยังไม่บรรลุนะฮะยังเป็นพระเอก ปุตุชนเรียบร้อยแต่ว่าวิญญาณโจรมันหายไปไม่อย่ญญาโจรหายไปมีแต่เหลือแต่วิญญาณพระพระอาจารย์รับสั่งว่าภิกษุเธอจะต้องอดทนนะต้องอดทนไว้เพราะว่ากรรมที่เธอทำนั้นมากเหลือเกินตอนนี้ก็ต้องรับผลของกรรมกันบ้างพงศิ ม, มาลเก็ทนสาหัสการมากกันไม่ว่าจะมายัางไงแม้แต่ปทุสจิตคือคิดปทุสายไม่เกิด จิตคิดประทุสร้ายคิดจะโต้ตอบไม่เกิดขึ้นมาไหนเมื่อท่านได้ศึกษาเรียนรู้เข้าใจแนวการประทุตปฏิบัติแล้วก็ลาพระพุทธเจ้าไปบาเพ็ญเพียรอยู่ในถ้ำว่างก็ออกเป็นฑบาตบาเพ็ญเพียรส่วนมากก็อยู่ในถ้ำไม่ไม่เท่าไหร่ก็บรรลุอรหัตข้อนี้พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดง บรอบพระองคุลิมานไว้ว่าบุคคลผู้ใดที่ประมาทอยู่ในการก่อนแต่กลับตัวไม่ประมาทได้ในภายหลังบุคคลผู้นั้นก็จะรุ่งเรืองเหมือนพระจันทร์วันเพ็ญกระจัดความมืดทำโลกให้สว่างเช่นนั้นแล้วก็มีท่านอาจารย์สุชิพัญญานุภาพซึ่งเขียนใต้ร่มกาสาวพัด เอานำมาเรียบเรียงเป็นคำกรอนว่าผู้เอ๋ยผู้ใดลำพองใจประมาทมาก่อนแต่กลับตัวได้แม่นิ่งนอนถ่ายถอนชั่วช้าสาังสาไปผู้นั้นเหมือนจันทร์วันเพน ล, ลอยเด่นดู ง, งามมารามใสไม่มีเมฆมัวหมองทะยองใ ย, ยสองล่าทั่วไปสว่างเลยแล้วก็มีการลำพึงลักษณะคล้ายๆกับ ร, รำพึงในป่าชา้าในหนังสือเด็กเรียนนะฮะแต่นี้ลำพึงโดยปรารบอรหัตตคุณเป็นธรรมปีติ ซึ่งเขาเรียกสมบุญบริีว่าอุทานของพระอาหารหันต์ทั้งหลายนี้เขาเรียกว่าอุทานอุทานคือเป็นคําที่เปล่งขึ้นมาด้วยอาศัยโสมนัสหลังจากตัวเองได้สัมผัสผลแล้วแล้วก็เปล่งวาจานั้นออกมาเรียกว่าโสมนัสยานของพระพุทธเจ้าเองก็เปล่งไว้แยะตั้งหกิตั้งตั้งเก้าบสข้อในโอกาสต่างๆแในพระเถรีภิกษุก็เป็นอันมากที่เปล่งบางองค์ก็เปล่งยาวบางองค์ก็เปล่งสัน้นแต่ว่า เป็นการเปล่งวาจาเหล่านี้ออกมาโดยปรารพธรรมนะฮะปรารบธรรมที่ตนได้สัมผัสด้วยใจตัวเองแล้วก็เปล่งออกมาด้วยธรรมปีติคือความเอิบอิ่มความปีติในธรรมข้อความในองคุลิมาลสูตรนั้นเป็นข้อความที่อาจารย์ชีพปุญญาณภาพนามาเรียบเรียงเป็นเรื่องใต้ร่มกาสาวพัดเป็นหนังสือแนววรรณคดีที่ เดินเรื่องคล้ายๆกามนิตวาสิทธิก็เฉพาะในเมืองไทยก็เห็นจะเป็นเล่มแรกคือใช้นักเขียนไทยพระกรมนิทวาสิทธินั้นเป็นเรื่องแปลก็มีลีลาน่าอ่านน่าศึกษามากเวลานี้เรากําลังจะเอาไปให้เด็กเรียนแต่จะตัดอตอนนึงตอนเรื่องของนันทยะจะเน้นเรื่องความกตัญญูกะตะเวทีเลี้ยงดูมารดาบินนันทยะก็เล่าถึงเรื่อง พระที่ต้องเลี้ยงดูแม่เลี้ยงดูพ่อแม่ซึ่งชราลงข้อความในตอนต้นพระสูตรนั้นต้นเรื่องมัยต้นพระสูตรคือมันมันมาหลายตอนน่ะคือพูะตจัยมงคลคาถานั้นเรื่องมันสั้นจริงคาถาเพียงสอบรรทัดเท่านั้นเองสองบรรทัดกว่าๆถ้าหนังสือเล็กหน่อยก็สามบรรทัดแต่ว่าไอ้ตัวเนื้อหาแล้วมันมาก กระจายไปดึงเอาทั้งพระสูตรทั้งอัตถกถาทั้งเรื่องพระสูตรหลายพระสูตรเข้ามาไว้ในที่เดียวกันแต่มาสรุปด้วยท่าคำที่สั้นๆก็ทํานองที่ท่านท่านท่านเขเรียกว่าหัวใจนะก็คล้ายๆสรุปหัวใจอย่างอิสวาสุเนี่ยอิสวาสุสรุปเป็นสามคำแต่พอจะเอามาพูดกระจายออกไปนั้นก็เทศปีหนึ่งไว้จบแลท่านสรุปด้วยคําเป็นสามคำแต่นั้นเองประเด็นที่น่าศึกษาในเรื่องนี้ก็คือว่า ไอเรื่องเลิกไอเรื่องไอเรื่องอะไรคือเรื่องอำนาจอิทธิพลของการจุตินั้นท่านทั้งหลายจะพบว่าถ้าเราจะมองในแง่ของประวัติศาสตร์แล้วนะรับพระยุพระเยซูเกิดมันก็เกี่ยวกับดาวนะพระพุทธเจ้าเองก็เกี่ยวกับดาวโจนองค์คริมานเองก็เกี่ยวกับดาวแล้วถ้าจีนแล้วก็ดาวอะไรอุบัติอุบัติเยอะแยะไปเลยจีนเนี่ยดาวนั้นลงมาเกิดดาวนี้ลงมาเกิดเยอะแยะเลย เรื่องเหล่านี้จึงต้องมีส่วนอะไรอยู่นะฮะส่วนของของของความจริงที่พิสูจน์ได้ว่าเทพบุตรมาเกิดหรือเทพธิดามาเกิดหรือว่ามหาบุรุษมาเกิดอะไรเนี่ยมันจะมีเคขาเรียกว่าเป็นบุพภนิมิตซึ่งลักษณะเหล่านีย้ยกตัวอย่างเช่นพระเจ้าตักสินหรือพระนารายมหาราชหรือแม้แต่สมเด็จพระหมหาสมณเจ้า สมเด็จพระหมหาสมาเจ้ากรมพระยาวิจญานโรรสนั้นในวงการาศาสนาเราถือว่าเป็นเทพมเหศสักจุติลงมาฟื้นฟูพระาศาสน า, าลักษณะเหล่านี้ถ้าเรามองย้อนประวัติศาสตร์พระพุทธาาศาสนาไปจะในสังขยาครั้งที่สนะฮะสังขยาครั้งที่สก่อนเมื่อตอนสังขยาครั้งที่หนึ่งเนี่ย พระหานทั้งหลายท่านมองอน า, า, ด, อาด้วยอาณากระตัางสยานคือดูการนาคตว่าประมาณพศเกือบเกือบสารอปีเนี่ยจะมีปัญหายุ่งจังในศาสนาเนี่ยแลทีนี้ว่าใครมันจะแก้ได้ก็นึกได้ว่ามีติสสะเทพระบุตรซึ่งเป็นผู้มีบารมีสูงมากตอนนี้อยู่สวรรค์ชั้นดุสิตจะต้องไปเชิญมาช่วยโลก พระอาหทั้งหลายท่านก็ขึ้นไปเชิญอาถึงคราวต้องให้จุติลงไปเกิดท่านก็รับคำแล้วก็มีสั่งพระเถระไว้สององค์ให้รับผิดชอบเด็กคนนี้บอกจะมาเกิดสกุลนั้นแม่ชื่อนั้นพ่อชื่อนั้นอยู่ในสกุลนั้นแล้วคุณสององค์ต้องรับผิดชอบเอาเด็กคนนี้ออกมาบวชให้ได้พระสององค์นั้นยังหนุ่มนะฮะพระสิขาวะกับพระจันทร์วัชีเป็นพระรุ่นหนุ่มในสังกัจด า, าครั้งแรกไม่ใช่ครั้งที่สอง เพราะงั้นท่านก็อยู่มาทันในสังเกตนายครั้งที่สามได้เพราะเป็นพระรุ่นเด็ ก, ดกคือคือถือว่าเป็นทันตาการรมเลยลงโทษเลยเออตอนคราวคราวนั้นสององนี้ไม่ได้เข้าไปร่วมประชุมถือเป็นความผิดพระอ า, ารามท่านก็ลงโทษถ่ายโทษตัวเองได้ก็เรียกว่าใช้เวลาหลายสิบปีคือกว่าเด็กจะมาเกิดอะไรตัวอะไรจะประคับประคองกันมาจนออกบวชบรรลุอรหัสนะฮะถือหมดโทษแต่เป็นงั้นสององนี้ยังไม่พ้นโทษหรือแม้แต่ตอนพี่ พระนาคเษนจะมาอุบัติก็มีลักษณะอย่างนั้นคือพระหันเถระเจ้าทั้งหลายท่านมองเห็นว่าต่อไปเนี่ยจ ะ, ะศาสนาจะถูกคุกคามด้วยราชอำนาจคือพยายามมีดินแต่าหากว่าไม่มีคนแก้กเกมนี้แล้วก็จบคือเดินไม่ได้เลยศาสนาพังแน่ทีนี้จะหาใครหาใครที่จะมาแก้ได้มันก็มองเห็นหมหาเสนาเทพประรุก็ขึ้นไปเชิญให้ลงมาจติอุบัต เั้นแนวความเชื่อแนวนี้เราจะพบว่ามันก็มีทุกขนทุกแห่งสมเด็จพระหมหาสรรมณเจ้าของเรานั้นไม่ได้ใครไปอาราธนาท่านอะไรหรอกนะแต่ว่ามันก็แสดงให้เห็นเวลาท่านประสูติท่านประสูติบ้านเมืองอยู่ดีๆเนี่ยฟ้าขาวก็โปร่งสว่างดีๆเพราะประชนนีประชวนระคันตันเองค้าฝมืดคลึ้มขึ้นมา แล้วก็ตกอย่างแรงท่วมลานพระบรมมหาราชวังประการที่สี่เลยระลึกถึงสมัยที่พระพุทธเจ้าประทับสเสวยวิมุตติสุขอยู่ที่ต้นจิกพระปางนาคปกนะฮะเลยก็ถวายพระนามว่ามนุษย์นาคขมานพคือมนุษย์มนุษย์ที่แปลงมาจากนาคเด่นานาคที่กลายมาจากมนุษย์แล้วท่านก็เป็นอย่างนั้นจริงไงองค์เนี้ย เรานึกดูพระพุทธศาสนาเราถ้าพระจอมท่านมาตั้งปรับขึ้นมาเนี่ยแล้วก็ตั้งกระทาเวลางานเนี่ยไม่นานอะไรยังไม่เดินได้เท่าไหร่ถ้าสมเด็จพระมหาสมณะไม่มาต่อไปไม่รอดหรือทางบ้านเมืองถ้าได้การที่ห้ามไม่มาต่อก็ไปไม่รอดในวงการศาสนาจึงถือว่าเทพไหสักจุติมาอุบัติแล้วพวกนี้จะอายุไม่ยาวพอทํางานเสร็จอาจจะตายเหมือนพระเจ้าจตากศินอะไรเหมือนกันอายุจะไม่ยืนพระนเรศวรอะไร ล, ลองดูหมาบุรุษโลกนี่อายุจะไม่ยืนคือเสร็จแล้วก็เสร็จทํางานเสร็จกลับบรรแนวเว็นมหาเทพยุติหมานอกจากท่านบรรลุอรหัตเป็นพระหันนะท่านที่บรรลุอรหัตเป็นพระหันไม่ว่าจะเป็นพระพุทธเจ้าก็ดีพระโมคคัลยบุตรก็ดีพระนาคเกษก็ดียายุยืนเพราะท่านไม่ต้องกลับนี่ยไม่ต้องกลับอีกแล้วอันนี้ก็เป็นความเชื่อถือว่าคนบางคนมันเกิดมาในเลิกในเลิกของราจน ทีนี้ถ้าท่านอ่านอะไรไอ้เสี่ยวขวัญเดียวขวัญอะไรเนี่ยเออจะพบว่าไอ้เลิกเนี่ยเอ้อม่ใช่คือดวงอะไรเนี่ยมันจะถ่ายถูกได้สม บ, บัตสามัญชนแต่ น, นั่นเองแต่ถ้าคนนั้นประพฤติปฏิบัติธรรมะอะไรเนี่ยดวงเดิมมันมันสับสนหมดเลยมันจะมันมันจะถ่ายไม่ได้จะถ่ายเขาไม่ได้หรอกเพราะว่าแกขึ้นไปอยู่เหนือดวงมาแล้ว โหนให้เก่งกาจสามารถยังไงไปถายดวงผู้ปฏิบัติธรรมะที่สัมผัสผลสูงขึ้นไปจะถายไม่ถูกเพราะแกอยู่เหนือดวงดวงก็ที่จริงก็เป็นอิทธิพลของกรรมบางประการถ้างั้น เ, เราจะพบว่าท่านท่านองค์กริมาเรื่อหญิงสกะเองท่านก็อยู่ในเกณฑ์ที่ถูกตามดวงที่พ่อท่านผูกเอาไว้ แล้วเรามองให้เห็นถึงพระเจ้าประเสริฐที่โกสุนจึงคือไม่ตีตนไปก่อนค่ายเรื่องมันยังไม่เกิดโดยไปทําไม่ได้ไม่ใช่ว่าพอเห็นสารนิษฐานว่าอีกสปีข้างหน้าคนนี้จะเป็นโรคมะเร็งแน่เลยผ่าตัดก่อนมันมันก็ไม่ได้มันไม่ใช่วิธีมันจะวิธีแก้ปัญหาว่าไอเด็กนี่ต่อไปจะเป็นหมาโจรเลยฆ่าเสก่อนมันเป็นจริงนะไม่จริงครับทู่้เพราะไอตอนนั้นมฆ่าเด็กแต่นั้นเองนะถ้าจะฆ่ามันฆ่าเด็กคนหนึ่งแต่นั้นเองไม่ใช่ฆ่าโจทย์ ซึ่งบัณฑิตไปทำไม่ได้ต้องให้แกผิดเดียก่อนจึงจะว่าแกผิดแล้วก็มีโทษสมควรแก่ความผิดก็ว่าไปอีกเรื่องหนึ่งไปสาลนิฐานเอาแล้วลงโทษก่อนนี่ไม่ได้เพราะงั้นไอ้ น, นี่คือแบบที่ดีเป็นแบบเป็นตัวอย่างที่ดีสำหรับคนที่เป็นผู้ใหญ่จะวินิจฉัยเรื่องอะไรก็ตามไม่จะคาดหมายเอาหรือเข้าใจเอาหรือคิดเอาหรือคนอื่นบอกแล้วเราก็ลงมติสรุปเดเสร็จได้ ตัดสินไปเลยก็จะทําให้ไม่มีหลักของความเป็นบัณฑิตหรือหลักของผู้ใหญ่พระเจ้าประเสริฐนิโกโสนั้นถึงแม้ท่านจะคืออย่างที่เคยเล่าให้ฟังทางรายการธรรมบรรยายว่าคือประราชาผู้ใหญ่สี่องค์เนี่ยก็ไปกันคนละทางพระเจ้าจันทรประโชดนิจุพระเจ้าประเสริฐนิโกโสนีนิทึ่มๆเฉ ย, ย, ยพระเจ้าพิมิสารนิสุภาพบุรุษดีที่สุดเลย เจ้าอุเทนนี่เจ้าชูสะบัดเลยก็ไปกันคนละทางหมาร่าสี่องค์สมัยพระพุทธการเนี่ยก็ไปกันคนละทางแต่ว่าพระเจ้าประเทนนี้ก็สนยังไงยังไงเราลองดูว่าบางทีทั้งเขาพลาดแต่ว่าประเด็นนี้ทำให้พลาดก็ปล่อยให้เหตุการณ์เกิดขึ้น น, นี่เรามองว่าแต่ค้าปุโรหิตเองเพื่อเพื่อจะก็ดูไม่ค่อยแกรับผิดชอบอะไรเท่าไหร่นะฮะ ก็ดูว่าแกจะเป็นบุโรหิตแต่แกก็ไม่รับผิดชอบอะไรเท่าไรือจะพยายามให้ไอ้ความรับผิดชอบเหล่านั้นไปนตกที่ประดาชาพกค่าวที่สองก็ตกที่เมียคือว่าตัวเองก็ลอยตัวเลยก็ดูไม่ค่อยได้เรื่องอะไรเท่าไรบงีคนเป็นผู้ใหญ่ทีนี้เรามาดูในในแวดวงของคนในแวดวงที่คนมาอยู่ร่วมกัน จะว่าจะเป็นการศึกษาทางานหรืออะไรก็ตามนะฮะนอกจากปฏิบัติธรรมะเข้าขั้นนะทาไมเข้าขั้นก็เสพเสะเอิจฉาลิษยากันอย่างนั้นน่ในสำนักอาจารย์ทิสาป่ามโมกซึ่งก็มีคนผู้ลากมากดีทั้งหลายนี่เป็นนันมากเพราะตามปกติแล้วเราจะพบว่าคนไม่เก่งจริงๆจะเรียนไม่ได้สำนักอาจารย์ท่สาปาโมก คนจึงเป็นการกลั่นคัดเลือกจากยอดคนขึ้นมาจริงๆมาเรียนแต่ว่าในคนเหล่านั้นฐานะทางสังคมตันเองสูงแต่วันด้านจิตใจบางคนก็ไม่ได้มีการพัฒนาขึ้นไปเทนที่จะยอมรับนับถือยกย่องคนซึ่งเขามีความเฉลียวฉลาดสามารถรอบรู้อาจจะเป็นเชิดชูสำนักของตัวเองให้เด่นขึ้นก็คอยอิจฉาริษยาอิจฉาริษยา อาจารย์ที่สามโมกเรามองดูว่าท่านที่จริงถ้านก็มั่นคงพอสมควรจะเป็นผู้ใหญ่ที่มั่นคงพอสมควรแต่คนเรานั้นมีจุดอ่อนปัญหาไว้จุดอ่อนมันอยู่ตรงไหนถ้าไปเจอจุดอ่อนข้ามก็แย่มกันที่สาปาโมกนั้นแสดงว่าแบบคนสมัยนั้นนะะมีปัญญาเจ๊ไอ้ไอ้ลูกศิษย์มันก็หาจุดอ่อนของอาจารย์ก็เห็นว่าหลงพัญญา ก็ไปจับประเด็นนั้นทําให้เสียถำ้ำมก็เสียความดีที่ตัวเองประคับประคองตัวมาได้ตลอดนะคือหึงหึงนั้นโดยไม่มีการสอบถามนะว่าจริงไม่มีการสอบถามไม่มีการติดตามอะไรเลยเพียงแต่คิดตัวเองคือเชื่อตามที่เขาว่านี่ความคือความอ่อนไหวของของผู้ใหญ่อีกประการหนึ่งนะอีกประการหนึ่งคือจุดอ่อนการศึกษาจุดอ่อนของคนเนี่ย โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือบุคคลแต่ละคนนั้นควรจะรู้จุดอ่อนของตัวเองว่าอ่อนมาอยู่ตรงไหนแล้วพยามเสริมจุดในตรงนั้นมันก็เหมือนกับบ้านเมืองในด้านใดที่มีจุดอ่อนอยู่ก็พยายามเสริมในจุดนั้นให้มันแข็งขึ้นลักษณะของทิสาปาโมกนี่มันก็มีจุดอ่อนในเรื่องพัญญาก็เหมือนกับหลวงตาองหนึ่งองนี้บวชอยู่ได้มาทั้งสามพรรษานี่ไม่มีเข้าสุกเลย เอา จ, จิงเอาจังธรรมัดธแมงปัญญามาสอบถามบอกไม่สึกแล้วจะอยู่ตลอดลูกมาญาติพี่น้องมาก็ตลอดแต่ปัญญาก็อยากใช้กลับเพราะลูกยังอยู่หลายคนยังช่วยต้องต้อ ง, ต, องต้องช่วยกันรับผิดชอบส่งคนไปบอกเรื่องอะไรลูกไปบอกหลวงพ่อที่นามากตอนนี้หลวงพ่อไม่สึกถ่ายไม่ไหวทำไม่ไหวพวกผมเล็ก แม่บอกจะขายได้บ้างเออขายแล้วค่าไม่สุกไม่ไม่ไม่จะจุดอ่อนนาไม่ใช่จุดต่อนไปถึงแม่ก็ส่งลูกชายไปบอกบอกว่าพ่อมีคนก็มาขอพี่สาวนะของพ่อจะว่ายังไงเ้ยพระไม่เกี่ยวเรื่องชาวบ้านจัดการไงจัดกรไม่เกี่ยวข้องกับพระถ้าไม่ได้ตีไม่แตก ไฟใหม่แม่ก็สั่งลูกชายไปบอกใหม่ลูกชายถึงก็บอกว่าพ่อพ่อไม่ศึกแน่นะเนี่ยไม่ศึกแล้วออไม่ศึกแม่ท่านบอกว่าถ้าพ่อไม่ศึกแน่ก็มีน้าข้างๆบ้านเน่ยก็มาชอบแม่ลุงพ่อไม่ศึกแม่ก็จะแต่งงานใหม่เพราะน้องๆยังเล็กๆอยู่หลายคนเฮ้พ่อลุ้นตาขึ้นเฮ้เอาอยางงั้นยาเถอ แกไปตดัดภาพมาพวกนี้ฆ่าสุดมันไปยังได้นะคือสาบใดที่ยังมีกิเลสอยู่มันไปยังไดนะ้มันไปทางไหนตอนนั้นเองเพราะ ง, งั้นในลักษณะของทิสาปาโมกขมันจุดอ่อนก็ยุมันทัน้งเยอ ะ, ะหลายจุดมันตีไม่แตกพอถึงจุดนั้นเป็นจุดที่เปราะมากแกก็เสียคนทําลายตัวเองเสียคนไปเลยเพราะก็เป็นรู้สึกจะเป็นทิสาปาโมกคนเดียวนะฮะที่จ้างฆ่าลูกศิษย์อนะนี่หาเรื่องฆ่าลูกศิษย์ ในตำนานทางพุทธศาสนามีคนเดียวเนี่ยนี่คือจุดอ่อนซึ่งก็เป็นอันตรายในในการครองชีวิตของบุคคลปัญหาว่าอยู่ตรงไหนที่จะต้องต้องพยายามหาให้เจอในจุดอ่อนเหล่านั้นแต่บางทีมันก็เสียผู้เสียคนไปได้เรื่อยๆอย่างผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยบางทีเข้าทางท่านไม่ได้เข้าทางโน้นไม่ได้เข้าทางนี้ไม่ได้เข้าทางหลังบ้านเรียบร้อย ใ น, นสุดก็กลายเป็นอ้อยอ้อยข้าวปากช้างอะไรอะไรก็ตัวเองก็ตกต่ําไปที น, นี้พูดถึงโจรองค์กริมาณองค์กริมาณเราจะเห็นว่าไอลักษณะที่ยั่วยุนะมันยั่วยุมันมันเป็นลักษณะมันก็น้ําคุณที่มันข้าวมาสลายนาาย้ําใสยั่วยุมากเหลือเกิ น, นจะหอย่อยอย่างงั้นจะรอบรู้อย่างนี้จะเก่งอย่างนั้นมันมันได้หมดถึงทั้งลาบทั้งยศทั้งสุขทั้งสันเถรมันได้หมดลอด่อด้วยด้วยด้วยด้ว ย, วยครบโลกธรรมเลยนะ ที่สาบะโมกท่านกระตุ้นเร่งร่าไอ้ความสํานึกมันค่อยจางลงจางลงจะพบว่าคนบางคนนั้นพอโดนยั่วยุมากข้านะโดนยัวยุมากข้า ว, นะวมากข้ากัดกร่อนกัดกร่อนในลักษณะค่อยๆกระแสะเข้าไปกัดกร่อนเพิ่มๆเพิ่มๆเพิ่มขึ้นมาเพิ่มขึ้นมาพอฝ่ายหนึ่งมัน ม, ๆๆๆ ม, นมีน้ําหนักมากกว่าแล้วไอ้ตาชูมันก็หักองค์ุลิมานั้นท่านมีหลักมาตลอดพ่อแม่ก็อบรมมาดีแล้วก็ตั้งชื่อเป็นสิริมงคลอย่างดีเลย ไอ้ญิงสะกะแปลว่าผู้ไม่เบียดเบียนใครแต่พอเอาก็จริงมันมีเครื่องร่กทําให้อยากได้ไอ้สิ่งที่เข า, าอายุนะโดยไม่ได้มองหน้ามองหลังลืมฐานอะไรอะไรหมดแต่อย่าลืมว่าพื้นจริงๆนะเพื้นดีนะเพื้นจริงๆเป็นพื้นดีแต่ก็ถูกย้อมด้วยสีต่างๆด้งนั้นเองกระหนามือตาลายไปก็ทําผิดไปในญาติ ทีนี้คนเราลองดูว่าเวลาทําผิดเนี่ยเมื่อกิเลสมันเกิดขึ้นมากในสติปัญญามันค่อยหายไปหายไปอย่างที่บอกอันนี้สูตรธรรมดาเลยไม่ว่าเกิดขึ้นแก่ใครก็ตามที่ที่อะไรนะฮะที่นิทานสมัยเป็นเด็กเด็กสอนลูกให้เป็นโจรขโมยไม่คงไม่ขีดอะไรอะไรนี่นนหน่อยไปก่อนนี่แนหน่อยขโมยมาม า, มาเล็กผ้าน้อยแต่ว่าแม่ก็ไม่ได้อบรมสั่งสอนอะไรก็ยุส่งเลยลูกเราเก่งฉลาดสามารถหาเงินมาได้อะไร น, น, นี่แล้วในทสุดมุนกลายเป็นโจนปรปล้นขึ้นมา ในจริงคนเรามันก็ตายมาจากเล็กๆคือทำชั่วก็ดีทำดีก็ดีนะฮะก็เริ่มมาจากเล็กทั้งนั้นที่พระเจ้าทรงอุปมาเหมือนกองไฟที่อกองน้อยๆเนี่ยคือบุญมันก็กองไฟน้อยบาปมัน ก, กองไฟน้อยๆแต่มันเพิ่มเชื้อขึ้นแล้วมันก็มากขึ้นมาได้ดังนั้นจงทรงสอนไม่ให้ดูหมิ่นบาปแล้วก็ดูหมิ่นบุญว่าน้อยคือทั้งสองอย่างนั้นเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีกับไม่ดี แล้วมาเพิ่มขึ้นพร้อมที่ยำวยผลเป็นความทุกข์ความสุขให้เกิดขึ้นในชีวิตของบุคคลผู้นั้นทีนี้การการฆ่าคนเราดูว่าแกก็สับสนมาตลอดฆ่าคราวแรกก็ชิง้งก็คิดว่านับได้นะตัวเองสติปัญญาดีก็นับเอาไว้ได้เพราะก็จริงมันนับไม่ได้เพราะว่ามันจักยาฟันเฟือนเลอะเรือนมากแล้ว ไปฆ่าคนคือไ อ, ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ความอยากฆ่าเนี่ยมันขึ้นมามันบูบมันย้อมใจกันดีหนึ่งเราลองดูนะฮะกิเลสมันบูบมาแล้วมันตกตะกอนค้างอยู่เช่นนโกรธใครแล้วก็ทําอะไรไม่เม่นเสร็จแล้วมันหายที่จริงมันก็กลายเป็นตะกอนค้างอยู่ภายในใจทําให้คุณข้องหมองมัวอยู่นานทีเดียวนะฮะ อ, ออกได้หรือไม่ได้ก็ไม่รู้แหละแต่ว่านาน ลักษณะของกิเลสก็คล้ายๆกับ น, น้ําขึ้นนะคือน้ําขึ้นมันก็ต้องมีถึงแม้มันลดแล้วมันก็ต้องมีการจับกันเกาะอยู่ยิ่งน้ําท่วมกรุงเทพก่อนนะก็เกาะจับอย่างเยอะทุกวันมันยังค้างๆนะน้องๆอยู่บางแห่งนี่ก็ลักษณะอารมณ์มันก็เป็นเช่นเดียวกันคือคือเมื่อกิเลสมันขึ้นแล้วมันมันต้องทิ้งอะไรเอาไว้ให้เหลือส่วนหนึ่งอยู่ภายในจิตใจแล้วก็เพิ่มความเข้มข้นไว้เรื่อยๆในที่สุดก็กลายเป็นคนฮหรือโกรุนแรงทีนี้เมื่อ ข่าเพื่อจะให้ตนสำเร็จวิชาเนี่ยก็ต้องพยายามทนุตนอมตัวเองคือป้องกันตัวเองไม่ให้มีอันตรายแล้วก็ต้องทำอันตรายคนอื่นให้ได้เลยการุนแรงท่านก็เพิ่มขึ้นโดยลำดับทีนี้เรามาดูใจแม่ใจพ่อระหว่างคคปุโรหิตกับนางมันตานีพรมามณีแม่นั้นที่จริงก็ก็ไม่แน่ใจเท่าไหร่หรอกแต่ เนื่องจากลูกชาขาดการติดต่อไปนานแล้วก็ความเชื่อโหราศาสตร์อะไรตัวใเนี่ยเป็นประกอบกันกับประกอบกับข่าวครา ว, าวรูปร่างลักษณะท่านก็ปร่งใจสในิฐานคือยอมเสี่ยงตัวเองไปเพื่อช่วยเพื่อช่วยลูกนี่ก็คือคือเรื่องของแม่บางทีก็เป็นความรักที่ที่ไม่ได้มองอะไรให้ลึกซึ้งเหมือนกันนะฮะที่ก็เป็นความรักโดยโดยขาดคาดเทศขาดผล พอสมมติว่าท่านไปในลักษณะนั้นจริงๆนะฮะถ้าเหตุการณ์มันเดินไปตามที่ท่านคิดพระพุทธเจ้ามไม่เคยขวางไว้เนี่ยยังไงองค์ปริมาณก็ไม่รู้เรื่องแหละแล้วก็ต้องฆ่าตายแน่ดังนั้นบางครั้งอารมณ์นะฮะพวกพวกพวกอารมณ์จะเป็นความรักความห่วงใยะอะไรก็ตามคือถ้ามันเกิดกังกิเลสเราจะเห็นว่าพอพอเกิดมากแล้วเนี่ยการคิดรอบคอบเนี่ยมันน้อยลงไปน้อยลงไปดร ไม่ว่าอะไรก็ตามแม้แต่โครงฉันกาบกรเนี่ยเอามาอ่านโครงมันตีระหัวรอบก้ากไปมันมันก็มาขำอะฮะนั่นขำมาเป็นเรื่องเป็นไปไม่ได้นะเรื่องเป็นไปไม่ได้แต่มันเราใส่อารมณ์ลงไปมากมาเกินไปในทางปฏิบัติแล้วเนี่ยไม่มีทางที่จะเกิดขึ้นเช่นนั้นไม่ว่าในที่ใดก็ตามไม่ว่าในเรื่องอะไรเ ร, เราอ่านรามเกียรติอ่านอะไรเนี่ยพระภัยมณี น, น, นิราชนารินทร์อะไรก็คือมันก็ขำๆนะฮะ บางทีว่าเป็นอารมณ์ของศิลปินที่อ่อนไหวมากเกินไปในแง่ของความเป็นจริงแล้วก็เป็นไปไม่ได้ทีนี้พระพุทธเจ้านั้นมีจุดเด่นอยู่ประการหนึง่งคือเวลาเสด็จงานใหญ่นะฮะเป็นเป็นเรื่องแปลกว่าถ้างานปกติธรรมดาจะไปมากมากไพุทธเจ้าไปาเป็นขบวนหน่ยบางทีมีพระโดยเสด็จเป็นพันพั น, พ, นพันก็มีนะฮะ เช่นพันส2งรนี่ก็เป็นขบวนเป็นพนะันเลครับพันสองนี้ตามหลายเมืองนะตามเสด็จอยู่หลายเมืองในพระวินัยบิดกนี่ไปกันหลายแห่งแต่พอเอาเรื่องที่เรียกว่าใหญ่นะและเสี่ยงสูงนี่จะเสด็จโดยลําพังจะเสด็จโดยลําพังพระองค์เองโจนองกริมาณก็เหมือนกันจะเสด็จไปละโดยลําพังพระองค์ แต่ว่าวิธีที่จะสลายความคิดขององค์ริมานุวิเจ้าเสด็จเต็มรูปนะเปล่งจัพันรงังสีเสด็จเต็มรูปคือหมายความว่าถ้าทรมานสัตว์แล้วต้องการหลายขั้นตอนนะฮะต้องการถาขัดเราอะไรต่ออะไรจะฉายจะพันรังสีไปเลยจะพนรนนังสีเป็นรัศมีวงกลมรอบพระองค์ด้านลา ว, ว่ามันก็หมุนมันก็ทึ่งนะฮะคนอะไรหัวมีแสงคนเห็นปะไอ้คนอะไรหัวมีแสง ว่าจิตใจมันเกิดไปสนใจเรื่องนี้ไอไอความคืบคืเมื่อเมื่อเมื่อมันหักไปด้านหนึ่งจะหนึ่งก็ต้องอ่อนคือความคิดิยาข้ามก็ต้องอ่อนเพราะแกเกิดขึ้นนะเกิดครึ่งเกิดึงฉนดเอ๊ะคนอะไรหัวมีแสงเลยมาได้เนี่ยลองลองดูนะฮะพอเดินมาในในในลักษณะที่แปลกอย่างนั้นแกก็ทึ่งนี้วิธีหักความรุนแรงค่อยค่อยค่อยคกัดกร่อนไปเพราะฉะนั้นพอเดินไปก็เดินโดยลําดับ แต่เป็นอิทาพินิหารนะฮะที่จริงไปเร็วมากนะฮะไปเร็วมากเขาเรียกคล้ายๆกับย่นแผ่นดินอะไรเนี่คือไปเร็วแต่ว่าดูเดินธรรมดาเนี่ยไปได้เร็วมากเพราะงั้นองค์ก ร, ริมาณแกก็ต้งไล่ทันเสด็จพุทธดําเนินไปธรรมดาก็เรียกว่าอิทาภิสังขารคือเป็นการใช้ฤทธานุภาพเป็นตําลองว่าปื๊ดเดียวนะฮะแต่ไปลิบเลย องคุริมานเลยก็ไล่ไม่ทันเ อ, อ่ออันนี้ก็คือสร้างความพึ่งความอัศจรรย์ความชิงหนสนเช่ให้เกิดขึ้นแก่องคุริมานก็จนจนในที่สุดพรวิ่งมาเหนื่อยเข้าไอ้ความพยายามที่จะฆ่าเนี่ยไม่ได้คิดแล้วว่าเกิดมีแต่อัศจรรย์พระอัศจรรย์มาตั้งแต่ต้นเพราะงั้นพอสอบถามในสติปัญญาท่านพร้อมใจแล้วฮะที่จะเข้าใจเรืนี้ เราลองดูถ้าเริ่มมาจากเห็นพระพุทธเจ้ามีรัชมีฉัพนังสีฉายมาจนถึงวิ่งไล่จนหอบหักหักหักไล่ไม่ตันเนี่ยมันจิตมันอ่อนลงโดยลําดับแล้วดูวิธีของพระอุตจ้านั้นนี่คือสันเหลก ค, คือการขัดเกลาขัดเกลาปรับมาเรื่อยเลยปรับปรับจิตมาเรื่อยเลยไปนิ่งไปพูดกับแกทื่อๆก็ไม่ไม่ได้แล้วขนาดนั้ น, นยุ่งเพราะงั้นพอมาถึงวิธีนี้เนี่ยจิตมันเปลี่ยนด้วยเลยเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนแต่ว่าความรุนแรงที่คิดฆ่ามันก็หายไปนะ พอสอบถามพอทราบความเรานึกดูนะว่าประโยคไม่ไม่ยาวแต่ว่ามันเจาะลึกเจาะเข้าคือว่าทาลายไอไอไอไความโกขดเทียมภายในใจของท่านออกไปเข้าสู่สํานึกที่แท้จริงของท่านซึ่งรังเกียจการฆ่าอยู่เดิมนะฮะรังเกียจการฆ่าอยู่เดิมแล้วแล้วก็พยายามที่จะบ่ายเบี่ยงทุกวิถีทางจะไม่ฆ่าสมณะหยุดก่อนะ มณะหยุดก่อนก็แกก็ใช้คำธรรมดาเนี่ยธรรมนณะหยุดก่อนพระเจ้าเราหยุดแล้วเต่เธอยังไม่หยุดก็งงอ่ะทีนี้งงอีกอะ่ะเอ๊ะพูดยังไงทําไมท่านถึงพูดท่านถึงกําลังเดินว่าหยุดแล้วพูดเราซึ่งหยุดว่าเดินพระพุทธเจ้าเจาะเหมือนกับความคิดเดิมกับท่านนะใจะเห็นว่าเหมือนความคิดเดิมเลยความคิดของแกนั้นคือไม่ฆ่าตระกูลแกเป็นตระกูลพราหมเป็นตระกูลบรหิตภไม่ฆ่าก่อนพระเจ้าเจาะปั๊บหยุดเดิมเลย จุดสำนึกเบื้องต้นพื้นฐานขังท่านเองเพราะฉะั้นจึงพูดกันไม่กี่คำอะ่ะพูดไม่กี่คําเราหยุดแล้วจากการฆ่าการเบียดเบียนสัตการประหารสัตว์มีตรตาวางแล้วมีอาวุธวางแล้วมีเครื่องประหารวางแล้วนี่ภาพภาพนี้ตรงกันข้ามกับแกทันทีเลยแต่เธอแต่เธอยังฆ่ายังเบียดเบียนยังประทุษร้ายสัตว์มีมือชุ่มโดยเลือดชุ่มโดยโลหิตถือสัตว์ตาเบียดเบียนสัตว์ทั้งหลายตรงกันข้ามกับแก เว่าถ้าพูดถึงหยุดแล้วองค์ดิมันไม่หยุดพื้นเจาะปั๊บเข้าเลย น, ะนี่คือคื อ, ค, อคือพระเจ้าจะแสดงธรรมะตามลักษณะของพื้นพื้นคนนั้นไม่ใช่วันเทศอย่างนี้ทุกทีนะเทศอย่างนี้ไม่ได้หรอกวันเทศกับสมบับางคนแต่ น, นั้นเองบางคนพระพระเจ้าก็ยกักย้ายไปนะยกัยกย้ายไปอย่างอย่างเนี้ยอย่างอย่างว่าพระยาศาักดิอย่างนี้หรือว่าท่านพระปัญ จ, จวคีท่านติดในการทรมานร่างกายขึ้นเลย เวเมพิกเวอันตาะวิจเตนานเสวิตตบาขึ้นนั่นเลยดูก่อนพิสูจน์ต่งหลายทางสองย่างไม่ควรเส็เออกไปเลยเจาะเจาะเฉพาะท่านปัญญพัคีพูดตรงนั้นพอไปถึงเจดินไม่เอาเทศอย่างนั้นไม่ได้ชดินเนี่ยมันคนละทางกันเจเดินมันเล่นไฟนะดูก่อนพิสูจน์ต่งหลายสิ่งนะ้ำพวงเป็นของร้อนขึ้นใหม่เลยไปอีกรูปหนึ่งเลยนะนี่คือวิธีของพระพุทธเจ้าพระองค์วิเคราะห์คนและจึงจึงกำหนดทำ ม่ใว่าฉันจะเทศกันนี้ก็ฉันและไปเนะี่ยจึงก็เทศกันนี้จะเรื่องก็เทศไม่ได้นะเทศเอากันเทศนะ์ได้นะเทศเอาคนในะข้าถึงธรรมเนี่ยไม่ได้พระพุทธเจ้าท่านวิเคราะห์คนเสร็จแล้วจึงจะกําหนดธรรมะมันเหมือนกับเราจะจัดคนให้ยกของให้ยิ้วของให้ทํางานเนีเราดูคนเสร็จเรามอบงานเราให้ของมันจะวันนิ่งๆจะเทศไปเรื่อยๆตอนวิธีเทศของพระเราจะเห็นว่าท่านแนวพระพุทธเจ้าเราต้องหลากหลายไปเท ไอ้เทศอย่างในห้องประชุมอย่างคนเข้าวัดคลังธรรมอย่างนี้ก็อีกแนวหนึ่งนะฮะสบายๆก็จะพูดอะไรก็เข้าใจได้แต่ว่าไปไปถึงเด็กอนุบาลไปถึงเด็กมัธยมนี่ไปอีกแนวนึงเลยนะแต่เกินบาคนไปเจอเอ๊ะทำไมท่านมาเทศอย่างนี้ก็ไม่ได้เทศกับเเทกด็กอะเทศกับเด็กไมไ่เทศกับโยมวันก่อนนี่มีไปตอบปัญหาที่จังหวัดสุราษฎร์ครูก็เขียนปัญหาถามมาบอกแม้ท่านจะคุณตอบปัญหากว้างนักกัน นะไม่ให้รายละเอียดเพราะนี้เขาต่อ ก, กับครูไม่ต่อ ก, กับเด็กอ่ะเด็กเขาบี้กล้วยให้มันแหลกนั้นป้อนเด็กนะก็ไม่ได้ป้อนครูนยะครูนี่ก็ส่งให้เป็นบีไปก็ได้นะก็ขึ้นอยู่กับว่าใครเราพูด ก, กับใครต่นนั้นเองนะนี่คือวิธีของพุทธเจ้าเราเราจะพบว่าเรื่องเดียวกันเนะียแต่ว่าคนต่างกันจะพูดไม่เหมือนกันเราก็ต้องหลากหลายออกไปตามสมควรแก่วัฒนาบา ร, รมีนี่ก็เป็น ชัยชนะที่พระพุทธเจ้าทรงชนะคนซึ่งซึ่งเราจะพบว่าเนี่ยพระพุทธเจ้าจึิงในชื่อว่าอนุตโรบริสธรามสารทิเป็นสารทิที่ฝึกคนซึ่งคนอื่นก็ฝึกไม่ได้นะฮะคนอื่นก็ฝึกไม่ได้แล้วลองบุโรหิตลองแยบมาดูได้ตายนะฮะตอนนั้นองคุณิมานจําไม่ได้แล้วแม่โพรแล้วก็ตายแล้วตอนนั้นนะพระพุทธเจ้าต้งฝึกขท่านได้ดังนั้นหลักตรงนี้เป็นหลักใหญ่ว่า ในการฝึกคนอบรมคนปกครองคนนะฮะวิธีบางวิธีพอแหลมขึ้นมาไล่ออกไล่ออกผิดไล่ออกผิดไล่ออกเวยใครใครก็ทําได้ผิดยิงเป้าผิดยิงเป้าใครใก็ทําได้แต่ว่าทํำยังไงเอาคนเลวขนาดนี้ขึ้นมาใช้เป็นประโยชน์นั่นคือยอดคนยอดในการฝึกคนยอดในการที่จะ ทำหน้าที่สั่งสอนเป็นศาสนาพระพุทธเจ้าท่านมีจุดเด่นกันท่านอย่างเนี้เราดูค น, ค น, าากกนแต่ละคนเอาเราก็ยักก็ดีอะไรแต่ละคนนี่คนอื่นก็ทําไม่ได้หรอกแก้ไขไม่ได้พระพุทเจ้าท่านฝึกท่านได้ท่านมีวิธีของท่านมีวิธีที่จะหักเขปรับปรุงไปเรื่อยขัดเกลากไปเรื่อยอยู่ในจุดไหนที่จะไม่พูดอะไรเลยจุดไหนจะพูดเป็นเพียงแนวจุดไหนตอกจาจุดไหนที่จะเจาะลึกลงไปในจุดนั้นก็แล้วแต่จะดูคนไปโดยลาดับ นี่ก็คือชัยจำนะที่พระเจ้าทรงมีต่อองค์ุลิมานนะฮะซึ่งเป็นการใช้อิทธาพิสังขารคือใช้ฤทธิ์นะฮะใช้ฤทธิ์แต่เป็นใช้โดยองคุลิมานเองก็ไม่รู้องคุลิมานเองไม่รู้พระเจ้าทรงใช้แบบอิทธาพิสังขารมีลักษณะอึดไปเลยเกิดเราจะพบว่าบางทีเนี่ยอย่างเช่นเสด็จไปโปรดปุกุสาติกุลบุตรเนี่ยระยะทางตั้ง 40่วันไม่นะฮะพระเจ้าเสด็จเช้ามืดอะไปไปไปถึงเช้ามืดอไปยังไงก็ น, นี่ก็คืออิทาวิสังขารอิทาวิสังขารก็เหมือนกับมาจาก อ, าอะไรพุทธกญาเนี่ยมาโปรดรปญญวคีนะ่ะเขมาแบบอิทาวิสังขารแต่คนธรรมดามันก็เห็นไม่ธรรมานาอิทาวิสังขารคือระยะไกลทำใกล้ขึ้นนี่เป็นฤทธิ์อีกแนวหนึง่งสมมติวันนี้ก็ขอจุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไพรบูรณ์ในธรรมจงมีแด่ท่านสาธุชนทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี